สมมาดิสมมาสังคปกสมมาวาจาสมมามันกสมมาอาีสมมาบายา ออตรงนี้มาค่อนข้างที่จะยกบ่อยว่าท่านอุบาลีกนหาบดีเป็นพระโสดาบันท่านก็บริหารในฐานะที่เป็นเศรษฐีใช่ไหมท่านอานาถาปิณิกาเศรษฐีใช่ไหมท่านก็เป็นฆราวาสจูลานาถาปิณิกาเศรษฐีเป็นป้านาคาก็เป็นฆราวาสนางวิสาขาก็เป็นฆราวาสได้เยอะแยะไหมละกุลปีตาก็ไดหาบดีทั้งหลายละกุลมารตาเขาหาบดีเนี่ย ล้วนเป็นคารวะอีกเยอะแยะเบ็ดเสดไหมท่านวิสาขาก็เป็นคารวะพระเจ้าปิมพิสารก็เป็นคารวะแต่ท่านเหล่าเนี้ยท่านไม่เคยหนักใจเลยว่าท่านโอ้โหเป็นคารวะแล้วบริหารงานแล้วจะเสียศีลตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตของท่านเนี่ยท่านเข้าใจไงท่านเจริญจนช่ำชองจนชํานาญแล้วท่านจะไม่ให้เสียกุศลศีลของท่าน ก็แปลว่าท่านรักษาตนเองเป็นก็ดังที่ได้กล่าวเมื่อเราวิจัยอารมณ์ได้ทุกๆอารมณ์แล้วเนี่ยแม้เราเดินไปสู่แวดวงของคารวะวิสัยหรือการไปอยู่ในครอบครัวเราก็รักษาใจตัวเองเป็นแต่ไม่ใช่ว่าการไข้ควรไม่ชำนานเลยแบบว่าเรารักษาศีลอย่างที่ที่เคยทำมาใช่ไหมมันมีมุมเดียวอ่ะ ต้องมาสมาทานต้องมาอยู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่พอออกจากสิ่งแวดล้อมแล้วกลายเป็นคนอ่อนแอดันดีอันนี้ไม่เรามาตรงนี้เพราะอะไรเราต้องการมาซุ้มในการที่จะต้องมาฝึกฝนทำให้ตัวกุศลศีลนั้นมีความแข็งแรงมีความเกิดได้อย่างชำนาญได้ในทุกๆุกอารมณ์เมื่อเกิดมีความชำนาญและได้ในทุกๆอารมณ์แล้วเบ็ดเสร็จ เมื่อเรากลับไปสู่สิ่งแวดแล้อมมันอาจจะพลาดบ้างอะไรบ้างแต่การตั้งใจการมรรติการที่บอกไว้สี่ข้อใช่ไหมในข้อว่านิยามิตออแล้วก็ในข้อปริณามิตะสมุทาจาระอา พ, พุชิตาในสี่ข้อนั้นจะเป็นหลักแห่งการที่เราจะตั้งหลักในการที่จะทำให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความคุ้นเคยมีความช้านานในกุศลนั้นตรงนี้ก็เป็นหลัก เฉพาะว่าจริงๆสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้มันเกิดขึ้นจากการสมาธานตั้งใจบ่อยๆไหมฉะนั้นความตั้งใจนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนถามว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราไม่กล้าล่วงละเมิดเพราะเรามีความรักในพระศาสดาเรารักในพระพุทธเจ้าไงมาถึงพยายามฝังว่าเราต้องมีความรักในพพุทธเจ้าจริงๆ เมื่อเราเห็นพระศาส ร, ราเราเข้าใจว่าเราเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าการที่มาทำผิดศีลทุศีลไม่สมควรแก่เราต้องแข็งแรงอย่าลืมตนเองว่าจะไปอยู่ในสถานะไหนเราเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรยัยทั้งกายวาจาและทางจิตใจ ฉะนั้นพระศาสดาจะต้องเป็นไปในเบื้องหน้าของเราในทุกเรื่องทุกเรื่องที่เราทำการงานพระศาสดาจะเป็นคนแนะนำเราในการตัดสินปัญหาชีวิตทุกเรื่องเรื่องทุกเรื่องเลยแต่ไม่ใช่ใช้กิเลสของเราเป็นตัวตัดสินปัญหาเพราะเรานั้นมอบกายถวายชีวิตแด่พระศาสดาเราเป็นทาสของพระศาสดาพระศาสดาว่าอย่างไรเราว่าอย่างนั้นใช่ไหมเราอย่าไปคิดว่าคนรักษาศีลจะทื่อๆนะ มีอุบายมีความฉลาดมีความรอบรู้มีทักษะมีความแคล่วคล่องว่องไวแล้วก็มีความสามารถมีความสามารถถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นเอาดูพระเจ้าโศกมหาราชเนะี่ยพอมาถือธรรมาวิชัยแล้วดูที่ท่านทําไมเอาเอาเอาเอ า, เอาธรรมมานะ่ยปกคลองทั่วชมพูทวีปได้นั่นแหละ เห็นไหมธรรมะสามารถปกครองคนต่างศาสนาได้ไม่ธรรมดาที่ไหนแล้วปกครองได้แล้วคนยอมรับกันทั้งหมดเลยเนี่ยโครงการธรรมวิชัยของท่านเนี่ยนะปกครองโดยธรรมเนี่ยลองไปดูหลักศิลาจารึกของท่านนดิอั้นท่านจะเขียนในทํานองว่าไม่เอาชื่อพระเจ้าเขา อ, อ้างแต่เอาประธรรมของพระเจ้าเท่านั้นแต่ท่านใช้คําบอกว่าท่านเนี่ยนะ พระเจ้าปิยาดาศีซึ่งเป็นที่รักของทวยเทพขอประกาศว่าขอให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจงปฏิบัติตามที่ข้ากล่าวหนึ่งให้ปฏิบัติตามให้ปฏิบัติต่อพ่ออย่างไรปฏิบัติต่อแม่อย่างไรให้เป็นคนมีความเสียสละอย่างไรมีสัจจะอย่างไรเอประพฤติธรรมอย่างไรก็กล่าวไปเลย แม้แต่ข้าราชการที่อยู่ในใต้บาทของท่านท่านก็กํากับให้ปฏิบัติธรรมแม้พระสง์มีการแตกแยกกันเนี่ยท่านก็ยังจัดการแก้ไขแล้วก็เขียนศีลาจารึกให้ประกาศไปทั่วเมืองว่าตอนเนี้ยได้จัดการกับการแตกแยกในหมู่สงได้แล้วเป็นต้นเหล่าเนี้ยเห็นไหมท่านก็วางหลักของท่านน่ะอันนั้นเกิดจากอะไร เกิจากการเข้าใจะธา ร, รมเพราะพระเจ้าโศกมีความรักในพระพุทธเจ้ามากรักขนาดไหนรักขนาดว่าเขาอัญเชิญกิ่งต้นพระสีมหาโพธิ์จากพุทธคยาเพื่อจะไปรังกาเนี่ยท่านร้องไห้เดินไปส่งพระศาสดาจนน้ำแค่แค่พระศอแค่คอนี่แล้วก็ไปยกมือประนมบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์มาส่งพระผู้มีพภาคเจ้าแค่นี้ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะเดินตามไปได้เห็นไหมไปส่งที่ว่าอัญเชิญพระาศาสดาคือต้นพระศรีหมหาโพลไปปลูกไว้ที่ต้นที่ลังกาจนปัจจุบันเนี้ยนั่นแหละนี่คนที่มีความรักในพระาศาสดาอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมีใครบ้างรักพระรเจ้า สามารถมองพระบรมศาสดาไม่กระพริบตาไม่กระพริบเนตรได้เจ็ดวันเอาทีเราลองไปมองไปที่อินเดียไปยืนมองดูดิสงสัยไม่ได้ถึงสองชั่วโมงกระพริบตาห้ารอยครั้งใช่ไหมท่านรักท่านศรัทธาก็คิดดูตอนต้นพระสีมหาโพธิ์ตอนนั้นที่ว่า พ, พระมเหสีแอบเอายาพิษไปโรยเ อ, เ, อเอาน้ำร้อนไปลวกท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย นี่เป็นเพราะอะไรเนี่ยนี่คือความรักความศรัทธาในพระผู้ทธมีพระเจ้าฉะนั้นบรรดาบุุรชนที่มีความรักในพระศ า, าสดาพระเจ้าชาติศูนย์ท่านหนึ่งรักมากมีศรัทธาในพระเจ้ามากนี่บุุรชนนะแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกเห็นไหมขนาดว่าท่านถามพระเทระพโมคขลีบุตรติสาทเทระบอกว่าข้าแต่ท่านพระเถระ ข้าพาเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยสร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัดสร้างเจดีย์แปดหมื่นสี่พันเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย 4, แปดหมื่นสี่พันแห่งเนี่ยแล้วก็บูชาพระสงฆ์วั น, นไม่รู้เท่าไหร่ดูแลกิจการขนาดเนี้ยทาบุญขนาดเนี้ยถือว่าเป็นญาติของพระ ศ, ศาสดา ย, ยัาง ก็บอกว่ายังแล้วทํายังไงเอาต้องถวายลูกเป็นพุทธบูชาท่านทนําทันทีไหยเอาพระมาหินเถละก็บนางสังคมิตาเข้ามาบวชในพระาศาสนาแล้ ะ, ะบัณฑิตลูกเนี่ยรักรักพระพุทธเจ้ามากถามพระเจ้าสรงทันพรุริเจ้าไหมไม่ทันขารูปขันขงพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่พระเจ้าโศกไม่เคยเสียใจเลยเนื่องว่าตนเองเกิดไม่ทันพระเจ้าเพราะพระเจ้าโศกเข้าใจพระธรรมว่าสถานที่ประสูติสรู้ปริญญนิพานต้นพระสีมหาโพลพระท่านวชิระอาจเป็นพระศาสดาไงท่านเห็นเป็นพระศาสดาเพราะว่าพระศาสดาบอกว่าท่านยังอยู่ในฐานะเป็นต้นพระสีมหาโพลแต่เราไปทําไมเรามองเห็นแค่เป็นต้นโพลธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาไม่ถึง เราโทษใครโทษเราในพ่อพูนศรัทธาไม่เป็นใช่ไ้ยทำไมเขาไปเขาศรัทธาได้อย่างนั้นเพราะเขาเข้าใจก็เหมือนเนี่ยมาใช้คำว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้แต่บางคนเห็นคุณของพระศาสดาได้แต่บางคนเห็นไม่ได้ทั้งทั้งที่พระทานบาบรมีของพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดเนี่ยสลาหลังนี้ก็คือทานบาบรมีของพระพุทธเจ้า เอาใกล้ๆแคบๆเนี่ยอาสนะเสือก็ทานบารมี <buying> ของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราเลยนะเนี่ยเกี่ยวข้องที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นทานบารมีของพระเจ้าหนักไปกว่านั้นเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นทานบารมีของพระเจ้าโอชาทั้งหลายที่ไปหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของเราเนี่ยกําลังหล่อเลี้ยงอยู่ทุกๆขนาดเลยตอนเนี้หนึ่งมื้อเนี่ยอยู่ได้เจ็ดวันเนี่ยโอชาเนี่ยอาหารและชาโอชาทั้งหลายเนี่ย อันนี้ไงเขาบูชาพระพุทธเจ้าเนเนี่ยคนที่เขาถวายให้เราทานกันเนี่ยและตอนนี้สรุปแล้วก็คือทั้งอัจฉติกะรูปภายนอยภายนพระหิรูปภายนอกเป็นพระทานบารมีของพระพุทธเจ้าเหลือแต่นามธรรมาของเราเท่านั้นแหละที่ไม่โอนอ่อนไม่คิดถึงคุณของพระศาสดาหเห็นคือไม่เข้าใจอะ่ะ ทั้งๆ ท, ที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยวิตามินทั้งหลายที่เป็นผลทานบารมีของพระเจ้าดูแลรูปกายเราอยู่อ่ะดูแลรูปขันเราอยู่หล่อเลี้ยงรูปรขันให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถ้าให้ล้มหายใจไม่ขาดแล้วหนักไปกว่า น, นั้นอีกเสียงพระธรรมของพระาศาสดาก็ยังไหลก็โสตประสาทใช่ไหมเข้าสู่ชาวนะวิถีของเราเนี่ยเราไม่เห็นคุณสักทีเล ย, ยเนย้ทั้งๆที่รอบตัวเราหมดเนี่ย พระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องเราหมดเลยพระศาสดาดูแลเราทุกเรื่องดูแลให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคให้อาหารดูแลทั้งพระธรรมเห็นไหมอามิสบูชาพระองค์ก็ทํากับเราอามิสเนะี่ยอามิตสปฏิสันถานพระองค์ก็ต้อนรับแล้วให้อามิตรธรรมปฏิสันถานพระองค์ก็ให้อีกให้พระธรรมโดยผ่านพระพ่านนินผ่านโยมเลยก็ว่าไปเถอะนี่ไงพระองค์ต้อนรับเราโดยอามิตรปฏิสันถานและ ทำมาปฏิสันถานแต่เราบอกว่าเรายังไม่รักพระเจ้าเรายังไม่ศรัทธาท่านหรออันนี้ถามต้องถามว่าใจเราเป็นอะไรไปอับเป็นอะไรดีใจแข็งเกินไวปรึเปล่าใช่ไหมเอาพระศาสด า, า, า, า, าดูแลทุกเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยทาให้ชีวิตเรานั่งอยู่ได้วั น, นเนี้ยเนี่ยอถ้าไม่เห็นคุณถ้าไม่ตอบอแทนคุณเนี่ยก็เรียก อากตาญูนะไม่เห็นคุณเนะ่ยอากตาเวทีนะไม่ตอบแทนคุณเนะี่ยแล้วเราเป็นพธบริษัทเนี่ยพ่อพระศ า, าสดาแต่งตั้งพระ อ, องค์มีพระมหากรุณาธิคุณว่าเธอจองเป็นอุบาสกบาสิกาของเราเนี่ยแล้วมาอยู่ในขอบคายบอกว่าเออมาเกิดในประเทศไทา ย, ยุคสองพันห้าร้อยกว่าปีนะแล้วตถาคตจะประกาศพระธรรมใช่มไหมตถาคตจะเอาพระธรรมมาจักเนี่ยหมุนเข้าสู่กระแสใจของเธอว่างั้นนะ เธอเปิดใจที่มีศรัทธาที่ให้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหมุนเข้าสู่กระแสใจกระแสชีวิตแล้วก็ปิดทีน่นี่แล้วไม่ให้หมุนเข้าไปนะทำไงดีเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเราไขควนอย่างนี้เราจะได้อะไรได้ศรัทธาศรัทธาจะเป็นปัจจัยแก่อะไรแก่ศีลไงฉะนั้นสักคนมีศรัทธาเนี่ยก็รู้ว่าพระศาสดาต้องการให้เราเจริญศีลเจริญสมาธิปัญญาใช่ไหม แล้วก็น้อมที่จะเอาศีลพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องศีลศีลจึงเป็นพระธรรมคุณพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณตรัส บ, บอกศีลเป็นพระธรรมคุณตรัส บ, บอกสมาธิและปัญญาเป็นพระธรรมคุณอริยมรรคมีองค์แปดศีลก็คือวินยัยยปิฎกใช่ไหมศีลคือวินยัยยปิฎกสมาธิคือพระสุตตันตยปิฎกปัญญาคือพระพิธรรมปิฎกเขาบอกพุทธพจน์ทั้งสิ้นและไตรสิกขา เป็นศาสนพรหมจรรย์เอาไตรสิกขามาเดินเอามาเจริญเอามาทําให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เข้าถึงมรรคพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์แปดถ้ามองนี้เห็นชัดไหมเห็นคุณของพระศาสดาบ้างไหมอย่างนี้เห็นไม่เห็นเห็นแล้วทํำยังไงตอนนี้เราจะตอบแทนคุณท่านไหมตอบไหม เออตอบแทนคุณที่ท่านได้ดูแลเราทั้งอามิต h ปฏิสันฐานและธรรมะปฏิสันถานใช่ไหมเออไปหาท่านเมื่อไรเนี่ยท่านก็ให้ต้อนรับเราสองสถานะนี้แทบทุกที่เลยนะทั้งอามิ t h ทั้งธรรมะนี่ฉถึงบอกว่าบุคคลอย่างนี้สิที่เราควรเป็นทาสแต่โรพาโทสามุหะ เราไม่ควรเป็นทาสเขาหรอกเขาหลอกจริงไหมโลภะตัวสาม โ, โมหาเขาหลอกแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราควรเป็นทาสท่านยอมมองเห็นไว้แบบเนี้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามองนี้จะเห็นว่าตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลเนี่ยนะเจตสิกศีลก็เกี่ยวกับกเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะถ้าสัมมาอาชีวะเอาอยัางไงดีกว่า พวกเรามีอาชีพกันทุกคนใช่ไหมถ้าสมมาชีวะเนี่ยเขาเรียกว่าสัมเอาอาชีวะวิรติเนี่ยสภาวะธรรม ท, ที่ตัดหลอนเวรเจตนาขุนสนที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิ ด, เ ร, เ, ร เ, เ, ดเรามีอาชีพใช่ไหมเป็นครูใช่ไหมเป็นอะไรเออเป็นผู้เรียนเรามีอาชีพใช่ไหมทีนี้ ถ้าสัมมาอาชีวเวรติเกิดขึ้นน่ถ้าถามบอกว่ากลับไปบ้านรักษาศีลไม่ได้เอาแล้วทีนี้ยเอาแล้วแสดงว่าไปประกอบอาชีพเราจักไม่เจริญสัมมาอาชีวะเราจะเจริญมิจฉาอาชีวะนั่นเองเพราะเราคิดว่าศีลเนี่ยปฏิบัติได้เฉพาะในวัดหรือในที่ปฏิบัติธรรม แต่ไปในบ้านเราคิดว่าปฏิบัติไม่ได้ไปประกอบอาชีพเราคิดปฏิบัติไม่ได้แล้วไปคิดว่าธรรมะของพระบรมศาสดาเนี่ยใช้ได้จํากัดที่มานั่งหลับตาอยู่แค่ตรงเนี้ยแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยเราจะเจริญสมาชีววะไม่ได้ใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมพ่อเราบอกว่ายากนี่มีใครบอกว่ายากไหมบอกว่ารักษาศีลมันยากก็แสดงบอกว่ามิจฉาอาชีพเนี่ยทําง่าย สัมมาอาชีพที่ทำทำยากใช่ไหมเราเราเพราะสัมมาอาชีวะเป็นศีลใช่ไหมมิจฉ า, าชีวะเป็นการทุศีลเอาอะไรแต่เนี้ยทีนี้สัมม า, าชีวะนี่เป็นชื่อของสัมมาอาชีววิริย์เนี่ยนะเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับมหากุศลใช่ไหมเป็นกุศลจิตตุปบาทเป็นไตับกุศลเะนั้นนักศึกษานี่เขาเรียกเป็นอาชีพไหมเป็นไม่เป็น เป็นเนี่ยเขาเรียกอาชีพอะไรอาชีพนักศึกษาเออเราจะเป็นแล้วนักศึกษานี่เป็นมิจฉาอาชีวะได้ไหมเออเขาทำยังไงมิจฉาอาชีวะอ่ะอย่างเป็นอย่างกรณีไปค้าขายค้าขายนี่เป็นสม า, าชีวะหรือมิจฉ า, าชีวะถ้าหากเป็นมิจฉาอาชีวะเขาในการค้าขายนี่ก็คืออะไรในขณะค้าขายไปก็ฆ่าสัตว์ไปด้วยใช่ไหม เจียาสตร์ก็บี้ศาสตร์ไปด้วยมาทับของดีๆเนี่ยใช่แล้วแอบลักทรัพย์ไปด้วยได้ไหมเอาลักทรัพย์ไปด้วยเอาไปพูดผิดในกาไปด้วยพูดเท็จ ด, ด้วยใช่ไหมแล้วอ้างกันด้วยนะเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้ท่านจะไปบอกต้นทุนก็ได้ยังไงค้าขายเนี่ยซื้อสิบาทต้องขายยี่สิบบาทแต่เขาถามบอกว่าเออทำไมขายแพงเหลือเกินโอ้โหต้นทุนแพงเหลือเกินคําว่าต้นทุนแพงเนี่ยเป็นการโกหกหรือเปล่าโกหกหรือเปล่า ไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราต้นทุนต้นทุนสิ บ, บาทแต่เราบอกต้นทุนยี่สิบาทในคำนี้ถึงโกหกฉะนั้นอบอกว่าวิธีการมีดังเยอะแยะที่จะไม่ให้ผิดศีลก็มีดังเยอะใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าทําไมถึงขายแบบนี้ก็บอกว่าการค้าขายมันก็ต้องมีผลกําไรดังนั้นแหละมันจะมากจะน้อยคุณก็พิจารณาดูสิแม้คุณพิจารณาดู จริงๆเนี่ยถ้ามันไม่มีกําไรเลยมัน ม, มีใครอยู่ได้หรอกดนข้อเท็จจริงแต่ถ้ากล่าวไปแล้วความเครียดขึ้นสมองตอนนั้นเป็นไงมีศีลไหมมีสัมมาชีวะไหมไม่มีแล้วเป็นมิจฉาชีวะแล้วนั่นเน่ยกําลังต่อรองอะไรกันอยู่นั่นเน่ยแต่พูดด้วยจิตที่เป็นกุศลว่าเราประกอบอาชีพเราเป็นสาวกของพระผู้มีภาคเนี่ยเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกของผู้มีภาคเนี่ย เราก็ดำเนินชีวิตเป็นไปตามคำลองคลองของธรรมนี่แหละแต่แล้วก็บอกชี้แจงเหตุผลว่าทำไมเราต้องขายลักษณะนี้ใช่ไหมนั่งจะไปผิดอะไรเอาไปรับราชการรับร า, ราชการสมมติไปสอนหนังสือสอนไปก็เครียดไปโกรธไปนี่เป็นสมาชีวะไหมนี่มิจฉาชีวะ ตัวจิตนั่นเป็นอาชีพมันถูกตัวจิตเนี่ยมันเดินมาเพราะสัมมาอาชีวะเนี่ยอาชีพก็ต้องถูกแล้วจิตที่เดินก็ต้องเป็นกุศลถ้าจิตที่เดินจิตที่ไข่ควรหรือวิจัยไปกลายเป็นบาปเนี่ยอาชีพมันผิดไอตัวเจตสิกธรรมนี่ไม่เกิดตัวกุศลธรรมนี่ไม่เดินไม่เกิดนี่เราก็มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นกลับไปก็ไปรักษาศีลในอาชีพแต่ละอาชีพเสีย ทำอาชีวะบริสุทธิ์ที่ให้เกิดใช่ไหมทำอาชีพให้บริสุทธิ์ทำอาชีวะให้เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพกวาดบ้านก็เป็นอาชีพของเราใช่ไหมเป็นอาชีพเป็นการงานของเราที่จะต้องทําตรงนั้นก็ไม่ให้กายทุจริตเกิดไม่เวจีทุจริตเกิดที่เป็นไปกับอาชีพนั้นๆให้ทําใจให้เป็นไปกัธธุศลได้ไหมเงี้ยเพราะเรากลัวจะผิดศีลนี่แล้วผิดศีลเป็นโทษนี่อันนี้ก็ เดี๋ยวเขาก็จะสงสัยทำไมคุณทำงานเดี๋ยวนี้คุณผ่องใสเหลือเวินอา้าวคุณไม่รู้เลยกุศลศีลมีเวทนาสองสมณะเก่าเบข า, าถ้าไม่รู้ก็ไปขึ้นกระดานให้เขาดูใช่ไหมสมณะศสาค า, าตังกว่าเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เธอๆนะมีปัญญาด้วยนะคุณนะต้องบอกเขางั้นยานนสะสัมปยศนี่คุณใช้ยา น, นวิปยศหรือเปล่าเนี่ยหน้าแบบนี้เอางั้นสงสัยโทรศัขอไป